สอนเรื่องจิต ท, ที่ละเอียดเรื่องเจตสิกเรื่องอะไรอย่างนี้นะเรื่องรูปกอคงสอนนิดหน่อยอรูปของเขาไม่ได้ประกอบขึ้นมาด้วยวัตถุแบบพวกเราพบมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่เหมาะกับการปฏิบัติร่างกายก็แ ป, ปรปลวนรวดเร็วจิตใจแ ป, ปรปล่วนรวดเร็วอย่างเทวดานี่มีความสุขความสุขนาน พวกผล่มีความสุขบ้างมากมีอุเบกขาตามลําดับไปมันเหมือนคงที่ยิ่งพวกโผล่นะร่างกายก็เหมือนคงที่จิตใจก็เหมือนคงที่ดูใจรักยากของเราร่างกายเขไม่คงที่จิตใจก็ไม่คงที่จริงๆของเขาก็ไม่คงที่นะแต่ว่ามันแปรปลวนช้า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 เทวดานี้ไม่มีเหงื่อออกเลยนะเจอมีเหงื่อซึมออกมาตอนจะตายจะเริ่มแสดงปฏิกูลนะสุภาพให้เห็นได้นิดหน่อยเท่านั้นเนะี่ยพวกเราคือพบที่เทวดาอยากมาเกิดเทวดาสัมมาทิฏฐินะเทวดามิจฉาทิฏฐิไม่อยากมาเน้นต้องภูมิใจได้เป็นมนุษย์แล้วว่าจะเป็นมนุษย์นี่ยากนะ เห็นเขียนไหมว่าสัตว์มีเยอะมนุษย์มีน้อยไปเกิดเป็นสัตว์นี้ง่ายมากเ่ยดูมดฝูงหนึ่งต้องเท่าไหร่เนาะ<ม>พวกเราในสารารนี่ยังไม่เท่ามดหลังเดียวเลยมืนปลวกหลังหนึ่งมันเยอะกว่าเราเยอะดังโอกาสจะเป็นมนุษย์นี่ยากตัวที่ส่งผลให้เราเป็นมนุษย์นะคือความมีศีลงั้นศีลเนี่ยเป็นมาตรฐานของมนุษย์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 หข้ อ, อจริงมี6องค์ทำมี6ตัวเนี้ยนะถ้าเรามีสติเมื่อไหร่นิวรณ์จะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะกฎของธรรมะเขาเรียกธรรมนิยมกฎของธรรมามีเยอะนะมีหลายข้ออย่างอ ร, ริยสัจก็เป็นธรรมะกฎของธรรมะก็คือถ้าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติยั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในจิต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 อีก60องค์เป็นพระอราหันต์ที่ได้อภิญญาหกอภิญญาหกเช่นมีฤทธังใจมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้กัเหมือนกันนะรู้ทั้งเรื่องทิพจักรสุรู้การจุดจิวบัติมีเจโตปริยญาณยาอย่างรู้จิตผู้อื่นในวนี้ล้างกิเลสได้พวกนี้ก็อาศัยกำลังของชันก็มี60องค์ใช่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 เกิดเป็นมนุษย์ยากนะกว่าจะได้ฟังธรรมะที่ดีๆยากเมื่อได้ฟังแล้วนะคนที่ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำก็มีน้อยอีกคนที่ฟังมีเยอะแยะแต่คนที่ลงมือปฏิบัติจริงๆให้สมควรแก่ทำเนะีมีน้อยคนที่ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ทำก็ได้มรดได้ผลนะในชีวิตนี้ไปคนที่ยังย่อหย่อนอยู่ก็ได้ในชาติถัดๆไปนะ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 ก็ใจมันรู้จักพอมันก็รู้สึกว่าพอแล้วมันก็รวยละนะรวยมหาศาลมีหมื่นล้านมีห้าหมื่นล้านใจไม่อิ่มไม่เต็มมันก็จนอยู่นันแหะมันหิวตลอดนะคนทาทานได้นะกล้า ส, สละไดนะ้มันพอแล้วมันรวยแล้นะคนมีศีลไหมันผ่องใสหน้าตาน่ารักไหนะหน้าตาสดชื่นคนทุศีลโมโหโทโศเกลี้ยกลดทาร้ายคนอื่นหน้าหงิกหน้างอ